3. มปัญหาปุชะกปออาาปะปฏิสัมพิทาสี่คือหนึ่งอัฏฐปฏิสัมพิทาสองธรรมปฏิสัมพิทาสนิรุตติปฏิสัมพิทา 4. ปฏิภาณะปฏิสัมพิทาตึกะมาติกาปุชาทุกกะมาติกาปุชาบรรดาปฏิสัมพิทาส ป, ปฏิสัมพิทาเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอพยกลต เท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้หนึ่งเตะกะมาติ ก, กาวิสัชนาหนึ่งถึงยี่สิบสองกุศละตะ ก, กาทีวิสัชนาปฏิสัมพิทาสี่ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอัพยากตก็มีปฏิสัมพิทาสี่ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขกิดมสุขเวทนาก็มี ปฏิสัมพิทาสามที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีอัตถะปฏิสัมพิทาที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีปฏิสัมพิทาสกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอัตถะปฏิสัมพิทาที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรำมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีปฏิสัมพิทาสามกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอัตถะปฏิสัมพิทาที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีปฏิสัมพิทาสามมีทั้งวิตกและวิจารณ์ อัธปติสัมพิทาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณก็มีที่ไม่มี ท, Zeit, ทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีปฏิสัมพิทาสี่ที่สหรตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบขาก็มีปฏิสัมพิทาสี่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมา <gasp>. และมักเบื้องบนสาปติสัมพิทาสี่ ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมรรคเบื้องบนสาปฏิสัมพิทาสามที่เป็นเหตุใหถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่ไม่เป็นเหตุใหถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีอัตถะปฏิสัมพิทาที่เป็นเหตุใหถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่ไม่เป็นเหตุใหถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็ ม, ป ม, ปปกมีปฏิสัมพิทาสไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขาบุคคล อัตถปฏิสัมพิทาที่เป็นของเสศขาบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขาบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสศขาบุคคลและอาศัขาบุคคลก็มีปฏิสัมพิทาสามเป็นปริตตะอัตถปฏิสัมพิทาที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นอปมานะก็มีนิรุติปฏิสัมพิทามีปริตตะเป็นอารมณ์ปฏิสัมพิทาสามที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตตะเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีอัปมาณะเป็นอารมกก็มีปฏิสัมพิทาสามเป็นชั้นกลางอัฐปฏิสัมพิทาที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นปราณีก็มีปฏิสัมพิทาสามให้ผลไม่แน่นอนอัฐปฏิสัมพิทาที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีนิโรติปฏิสัมพิทากล่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็นอารมมีมักเป็นเหตุ หรือมีมรรคเป็นอธิปดีอัธปติสัมพิทาไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิปดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิปดีก็มีปฏิสัมพิทาสองที่มีมรรคเป็นอารมณ์แต่ไม่ใช่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิปดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์หรือมีมรรคเป็นอธิปดีก็มี ปฏิสัมพทิทาสามที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนอัตถปฏิสัมพิทาที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีปฏิสัมพิทาสี Valerie ่ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีนิโรติปฏิสัมพิทามีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์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 ปฏิสัมพิทาสี่ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีนิโรติปฏิสัมพิทามีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ปฏิสัมพิทาสามที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีปฏิสัมพิทาสี่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ สทุกขะมาติกาวิสัชนาหนึ่งเหตุข้อจกะวิจัชนา maintenant. ปฏิสัมพิทาสี่เป็นเหตุปฏิสัมพิทาสี่มีเหตุปฏิสัมพิทาสี่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุปฏิสัมพิทาสี่เป็นเหตุและมีเหตุปฏิสัมพิทาสี่เป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุสอง จุลันตะทุกกะวิศาชนะปฏิสัมพิทาสี่มีปัจจัยปรุงแต่งปฏิสัมพิทาสี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งปฏิสัมพิทาสี่เห็นไม่ได้ปฏิสัมพิทาสีกระทบไม่ได้ปฏิสัมพิทาสี่ไม่เป็นรูปปฏิสัมพิทาสามเป็นโลกิยะหัตถะปฏิสัมพิทาที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีปฏิสัมพิทาสี่จิตบังดวงรู้ได้ ปฏิสัมพิทาสี่คิตบังดวงรู้ไม่ได้สอาสวะโคจกกวิสัชนาปฏิสัมพิทาสีไม่เป็นอาสวะปฏิสัมพิทาสามเป็นอารมณ์ของอาสวะอัตถาปฏิสัมพิทาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีปฏิสัมพิทาสี่วิปยุจจากอาสวะปฏิสัมพิทาสามกล่าวไม่ได้ว่า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 หรือสัมปะยุด้วยอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะปฏิสัมพิทาสามวิปยุจจากอาสะวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสะวะอัถฐปฏิสัมพิทาที่วิปยุจจากอาสะวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสะวะก็มีที่วิปยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีสี่ถึงสิบสองสัญโยชนะโคจกาธิวิสัชนาปฏิสัมพิทาสีไม่เป็นสังโย์ไม่เป็นคันทะ ไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นปรามาตยปฏิสัมพิทาสีรับรู้อารมณ์ได้ปฏิสัมพิทาสีไม่เป็นจิตปฏิสัมพิทาสีเป็นเจตสิกปฏิสัมพิทาสีสัมพยุด้วยจิตปฏิสัมพิทาสีรักคนกับจิตปฏิสัมพิทาสีมีจิตเป็นสมุทฐานปฏิสัมพิทาสีเกิดพร้อมกับจิตปฏิสัมพิทาสีเป็นไปตามจิต ปฏิสัมพิทาสีรัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานปฏิสัมพิทาสีระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตปฏิสัมพิทาสีรักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตปฏิสัมพิทาสีเป็นภายนอกปฏิสัมพิทาสีไม่เป็นอุปาทายรูปปฏิสัมพิทาสีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ ปฏิสัมพิทาสี่ไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลส 13. ปิติทุกะวิจัชนาปฏิสัมพิทาสี่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก prima. ปฏิสัมพิทาสี่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาปฏิสัมพิทาสี่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักปฏิสัมพิทาสี่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาปฏิสัมพิท า, าสามีมวิตก อัตถะปฏิสัมพิธาที่มีวิตก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีปฏิสัมพิธาสามีวิจารอัตถะปฏิสัมพิธาที่มีวิจารก็มีที่ไม่มีวิจารก็มีปฏิสัมพิธาสีที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปิติก็มีปฏิสัมพิธาสที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีปฏิสัมพิทาสีที่สหรคตด้วยสุขก็มี ที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีปฏิสัมพิทาสี่ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีปฏิสัมพิทาสามเป็นกลามวจรอัฏฐปฏิสัมพิทาที่เป็นกลามวจรก็มีที่ไม่เป็นกลามวจรไม่เป็นรูปาวจรและไม่เป็นอรูปาวจรก็มีปฏิสัมพิทาสามนับเนื่องเนื้อวัตถุอัฏปฏิสัมพิทาที่นับเนื่องเนื้อวัตถุก็มี ที่ม่นับหนึ่งในวัฏฏุก็มีปฏิสัมพิทาสามไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์อัฏฐปฏิสัมพิทาที่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์ ก, ก็มีปฏิสัมพิทาสามให้ผลไม่แน่นอนอัฏฐปฏิสัมพิทาที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีปฏิสัมพิทาสามมีธรรมอื่นยิ่งกว่า อัฐปฏิสัมพิทาที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีปฏิสัมพิทาสี่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ชะนี้แลปัญหาปุจจกะจบปฏิสัมพิทาวิพังจบบริบูรณ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 ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมากรและมักเบื้องบนสามไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมากรและมักเบื้องบนสามไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานไม่เป็นของเสชาบุคคลและอ เ, อเสชาบุคคลเป็นปริตะเป็นกามวจร segundo. ไม่เป็นรูปาวจรเป็นอรูปาวจรนับเนื่องในวัฏทุกข์ไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์ให้ผลไม่แน่นอนไม่เป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์ 2. วิญญาณหมีวัตถุเกิดขึ้นมีอารมณ์เกิดขึ้น 3. วิญญาณหมีวัตถุเกิดก่อนมีอารมณ์เกิดก่อน 4. วิญญาณห้ามีวัตถุเป็นภายในมีอารมณ์เป็นภายนอก 5. วิญญาณห้ามีวัตถุไม่แตกดับมีอารมณ์ไม่แตกดับ 6. วิญญาณห้ามีวัตถุต่างกันมีอารมณ์ต่างกัน 7. วิญญาณห้าไม่สวยอารมณ์ของกันและกัน แวิญญาณห้าไม่เกิดขึ้นเพราะไม่ใส่ใจ 9. วิญญาณห้าไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มานัศสการสิวิญญาณห้าไม่เกิดขึ้นโดยไม่สลับลําดับกันสิอวิญญาณห้าไม่เกิดขึ้นพร้อมกันสิบสองวิญญาณห้าไม่เกิดขึ้นในลําดับของกันละกันสิบสวิญญาณห้าไม่มีความผูกใจสิบสี่ บุคคลไม่รู้แจ้งทำอะไรอะไรด้วยวิญญาณหเว้นแต่อารมณ์ที่ตกไป1 5บุคคลไม่รู้แจ้งทำอะไรอะไรแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห 16. บุคคลไม่สำเร็จอิริยาบถอะไรอะไรด้วยวิญญาณห 17. บุคคลไม่สำเร็จอิริยาบถอะไรอะไรแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห18 บุคคลไม่ประกอบกายกรรมและเวจีกรรมด้วยวิญญาณห19บุคคลไม่ประกอบกายกรรมและวจีกรรมแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห้ายสบุคคลไม่สมาทานสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลด้วยวิญญาณห้ายสิบเบุคคลไม่สมาทานสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห้าสอง บุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติไม่ได้ออกจากสมบัติด้วยวิญ ญ, ญาณห23บุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติไม่ได้ออกจากสมาบัติแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห24บุคคลไม่จุติไม่ปฏิสนธิด้วยวิญญาณห้าบห้าบุคคลไม่จุติไม่ปฏิสนธิแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห26บุคคลไม่หลับไม่ตื่นไม่ฝันด้วยวิญญาณห ยี่สิบเจ็ดบุคคลไม่หลับไม่ตื่นไม่ฝันแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห้าปัญญาแสดงเรื่องของวิญญาณห้าตามที่เป็นจริงยานวัตถุหมวดละหนึ่งมีด้วยประการฉนี้สองทุกกะมาติกา ญาณวัตถุหมวดละสองคือ 1. โลกียปัญญาโลกุตระปัญญา 2. องเจนะจิวินยียปัญญานเจนจิวินยยะปัญญาสามสวาปัญญาอนาสวาปัญญา 4. อาอสวาวิปยุทธสาสวาปัญญาอาสวาวิปยุทธอนาสวาปัญญา 5. สัญโยชนิยปัญญาอาสัญโยชนิยปัญญาห สัญโฉนนาวิปยุตตะสัญญโฉนิยปัญญาสัญโฉชนะวิปยุตตะอสัญญโฉนิยปัญญา 7. คันธนิยปัญญาอคันธนิยปัญญา 8. คันถวิปยุตตะคันถานิยปัญญาคันถาวิปยุตตะอคันธนิยปัญญา 9. โอคันยปัญญาอโนคันยปัญญา10 โอขวิปยุตตะโอคณิยปัญญาโอควิปยุตตะอโนคณิยปัญญา 11. โยคณิยปัญญาอโยคณิยปัญญา 12. โยควิปยุตตะโยคณิยปัญญาโยควิปยุตตะอโยคณิยปัญญา 13. นีวรณิยปัญญาอนิวรณิยปัญญา 14. นีวรณวิปยุตตะนีวรณิยปัญญา นวรณวิปยุตตาอณิวรณียปัญญา 15. บาปรามัฐปัญญาอัปรามถปัญญา 16. ปรามาจาวิปยุตตาปรามถปัญญาปรามาสาวิปยุตตาอัปรามถปัญญา 17. อุปาทินปัญญาอนุปาทินปัญญา 18. อุปาทานยิยปัญญาอนุปาทา น, ยาาานยิยปัญญา19 อุปาทานวิปยุตตาอุปาทานิยปัญญาอุปาทานวิปยุตตาอนุปาทานิยปัญญายี่สิบสังกิเลสิกะปัญญาอสังกิเลสิกะปัญญายี่สิบสองกิเลสาวิปยุตตาสังกิเลสิกะปัญญากิเลสาวิปยุตตาอสังกิเลสิกะปัญญายี่สิบสองวิตติกะปัญญาอวิตติกะปัญญายี่สิบสาม สวิจาระปัญญาอะวิจาระปัญญายี่สิบสีสปีติกะปัญญาอะปีติกะปัญญายี่สิห้าปีติสหคตะปัญญานปีติสหคตะปัญญายีสิหสุขสหคตะปัญญาณสุขสหคตะปัญญายี่สิเจ็ดอุเบกขาสหคตะปัญญาณอุเบกขาสหคตะปัญญา 28กามาวจระปัญญาณกามาวจระปัญญา29รูปาวจระปัญญาณรูปาวจระปัญญา30อรูปาวจระปัญญาณอรูปาวจระปัญญาสาอปริยาปัณะปัญญาอปริยาปัณรปัญญา32สองนิยานิกะปัญญาอนิยานิกะปัญญา 33. นิยตะปัญญาอนิยตะปัญญา 34. สอุตระปัญญาอนุตระปัญญาส5อัตถชาปิกะปัญญาชาปิตตะถปัญญายานวถุหมวดละสองมีด้วยประการละชนี มาติกาญาณวตถุหมวดละสามคือ 1. นึ่งจินตามยปัญญาสุตตามยปัญญาภาวนามยปัญญา 2. อทานมยปัญญาศีลมยะปัญญาภาวนามยปัญญา 3. อธิศีลปัญญาอธิจิตตปัญญาอธิปัญญาปัญญา 4. อายโคสนความเป็นผู้ฉลาดในความเจริญ อุปายะโกศนความเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อมอุปายะโกศนความเป็นผู้ฉลาดในอุบาย 5. วิปากะปัญญาวิปากธรรมะธรรมะปัญญาเนววิปากะนวิปากะธรรมะธรรมะปัญญา 6. อุปาัทินุปาทานิยปัญญาอนุปาทินุปทานิยปัญญาอนุปาัทิเนอนุปาทานิยปัญญาเจ สวิตัตกะสวิจาระปัญญาอาวิตาาวัตกะวิจารามัตตปัญญาอวิตัตกะอวิจาระปัญญา 8. ปีติสหคตาปัญญาสุขสหคตาปัญญาอุเบกขาสหคตาปัญญา 9. กาอาจายัามินิปัญญาอาปัจจยัามินิปัญญาเนวะจ ย, ายาักขานาปัจ ย, ายาัาขาณีปัญญาสิบ เสขปัญญาอเสขาปัญญาเนวเสขานาเสขาปัญญา 11. ปริตตปัญญามหาคตาปัญญาอปมานปัญญา 12. ปริตารมณปัญญามหคตารมณปัญญาอปมามารมณปัญญา 13. มคารมณปัญญามคคะเหตุกะปัญญามคคะทิปติณีปัญญา 14. อุปปันณาปัญญาอนุปันณาปัญญาอุปาที่นีปัญญาสิหอตีตปัญญาอนาคตะปัญญาปัจจุปันณาปัญญา 16. อตีตารมณปัญญาอนาคตารมณปัญญาปัจจุปนารมณปัญญา 17. บเจอชชตะปัญญาพระหิทธปัญญาอชชตพระหิทธปัญญา 18อาชะตาระมณปัญญาพระหิทธาระมณปัญญาอาชะส้าพระหิทธาระมณปัญญา 19. สวิตักระสวิจาระพัญญาที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มียี่สิบวิตักกะสวิจาระพัญญาเทือกรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือ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 สวิตตะกะสวิจาระปัญญาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มียี่สิบสามสวิตตะกะสวิจาระปัญญาที่เป็นของเสขคบุคคลก็มีที่เป็นของอาศขะบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสขคบุคคลและอเสขะบุคคลก็มียี่สิบสี่ สวิตตะกะสวิจาระปัญญาที่เป็นปริตะก็มีที่เป็นมหากตะก็มีที่เป็นอัปปามะก็มียี่สิบห้าสวิตตะกะสวิจาระปัญญาที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหากระตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอปปามะนเป็นอารมณ์ก็มียี่สิบหกสวิตตะกะสวิจาระปัญญาที่ญญมีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมักเป็นเหตุก็มี ที่มีมากเป็นอธิปดีก็มียี่สิบเจ็ดสวิตตกะสวิจาระปัญญาที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มียี่สิบแปดสวิตกะสวิจาระปัญญาที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอานาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มียี่สิบเก้าสวิตกะสวิจาระปัญญาที่มีอดีตธารมเป็นอารมณ์ก็มี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 สาอวิตักะวิจาระมัตตปัญญาที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีสาอวิตรกะวิจาระมัตตปัญญาที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี ที่กรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีสาสิบสอวิตรกะวิจารามัตตาปัญญาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีสาสิห้าอวิตรกะวิจารมัตตปัญญาที่เป็นของเสขาบุคคลก็มี ที่เป็นของอาเซขาบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเซฆขบุคคลและอาเสขบุคคลก็มี36ิอวิตรกะวิจารามัตตปัญญาที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีสามอวิตรกะวิจารามัตะปัญญาที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีสาิบแ อ, อ, อวิตรกะวิจารามาตตปัญญาที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีสาสิบเกอวิตรกะวิจารามาตตปัญญาที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีสี่สิบอวิตรกะวิจารปัญญาที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ และเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กร่ำอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กร่ำอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีสี่สิบเอ็ดอวิตรกะอวิจารปัญญาที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสี่สิบสอง อวิตรกะอวิจาระปัญญาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีสี่สิบสามอวิตรกะอวิจาระปัญญาที่เป็นของเสขาบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลก็มีสี่สิบสี่ อวิตรกะอวิจาระปัญญาที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอปมานะเป็นอารมณ์ก็มีสี่สิบห้าอวิตักะอวิจาระปัญญาที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่มีมักเป็นอธิบดีก็มีสี่สิบหกอวิตรกะอวิจาระปัญญาที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี สีเจ็อว er ิตรกะอวิจาระปัญญาที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีสี่สิบแปอวิตรกะอวิจาระปัญญาที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีสี่สิบเก้าอวิตรกะอวิจาระปัญญาที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มี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 สุขะสหคตะปัญญาที่เป็นของเสขาบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขาบุคคลก็มีที่ไม่เป็นเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลก็มีห้าสิบหปีติสหคตะปัญญาสุขะสหคตะปัญญาที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหาคตะก็มีที่เป็นอภปมานะก็มีห้าสิบเจ็ดปีติสหคตะปัญญาสุขะสหคตะปัญญาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีมหากตาา shows, ะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอปปามะนะเป็นอารมณ์ก็มีห้าสิบปดปิติสหคัคตะปัญญาสุขสหัคตะปัญญาที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมกันานามมมมกเป็นเหตุกม็มีที่มีมักเป็นอธิปดีก็มีห้าสิบเก้าปิติสหคตะปัญญาสุขสหคัคตะปัญญาที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี หกสิปีติสหัคตะปัญญาสุขสหัคตะปัญญาที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มียี่สิบอปีติสหัคตะปัญญาสุขสหัคตะปัญญาที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีหกสิสองปีติสหัคตะปัญญา สุขสหกตะปัญญาที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีหสิสปีติสหกตะปัญญาสุขะสหกตะปัญญาที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีหกสิสีอุเปขาสหกตะปัญญาที่เป็นวิบากก็มี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 อุเบกขาสหคตะปัญญาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีหกสิบเจ็ดอุเบกขาสหคตะปัญญาที่เป็นของเสขาบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขาบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลก็มีหกสิบปดอุเบกขาสหัคตะปัญญาที่เป็นปริตาก็มี ที่เป็นมหากตะก็มีที่เป็นอัปมานะก็มี69สิบเก้าเบคลาสหาคตะปัญญาที่มีปริตะเป็นอารมณ uhm ์ก็มีท pues ี่มีมหากตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปมานะเป็นอารมณ์ก็มีเจ็ดสิบภูเปคลาสหาคตะปัญญาที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่มีมักเป็นอธิปดีก็มีเจ็สิบเอด อุเบกขาสหกตะปัญญาที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีเจ็ดสิบสองอุเบกขาสหกตะปัญญาที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีเจ็ดสิสาอุเบกขาสหกตะปัญญาที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีเจ็สิบสี่ อุเบกขาสาคตะปัญญาที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีเจดสิบห้าอุเบกขาสาคตะปัญญาที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีญาณวัตถุหมวดละสามมีด้วยประการฉนี้ สเจตุกะมาติกาญาณวัตถุหมวดละสี่คือ 1. กรรมส ก, กตายานสัจจานุโลมิกะยานมัคคะสมังคิยานผลและสมังคิยาน 2. ทุกขยานทุกขสมุททะยานทุกขนิโรธยานทุกขนิโรธคาไม่นีปฏิปทายาน 3. กามาวจระปัญญารูปาวจระปัญญา อรูปาวจรปัญญาอปริยาปัณปัญญาสธรรมญาณอวยญาณปริจญาณสมมติญาณหธรรมญาณอวยญาณปริจญาณสมมติญาณที่เป็นอาจยโนอปัจยปัญญาก็มีที่เป็นอปัจยโนอาจยปัญญาก็มี ที่เป็นอาจยะอัปจิยะปัญญาก็มีที่เป็นเนวัจยะโนอัปจิยะปัญญา 6. ธรรมญานอันวยยานปริจญานสัมมติยานที่เป็นอาจยะโนอปัจยะปัญญาก็มีที่เป็นอปัจยะโนอัปจิยะปัญญาก็มีที่เป็นอาจยะอัปจิยะปัญญาก็มีที่เป็นเนวัจยะโนอัปจิยะปัญญาก็มี ที่เป็นนิพพทาโนปฏิเวทปัญญาก็มีที่เป็นปฏิเวทนโนนิพพทาปัญญาก็มีที่เป็นนิพพทาปฏิเวทปัญญาเนวานิพพทานโนปฏิเวทปัญญาก็มีเจ็ดหาเนพาขินีปัญญาถิติภาขินีปัญญาวิเสสภาคินีปัญญานิเพทภาขินีปัญญาแปดปฏิสัมพิทาสี่เก้า ปฏปทาสี่สอารมณ์สี่สบอ็ความรู้ในชรามรณะความรู้ในชรามรณะสมุทัยความรู้ในชรามรณะนิโรธความรู้ในชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาสิองความรู้ในชาติ 13. ความรู้ในภพสิบสีความรู้ในอุปาทานสิบห้าความรู้ในตัณหา 16. ความรู้ในเวทนา 17. ความรู้ในผัสสะ 18. ความรู้ในสลายตนะ 19. ความรู้ในนามรูปยี่สิบความรู้ในวิญญาณยี่ส็ความรู้ในสังขาร 22. ความรู้ในสังขารสมุทัยย3สความรู้ในสังขารนิโรธยีิบส ความรู้ในสังขาระนิโรธคามิมีปฏิปทายาณวัตถุหมวดละสี่มีด้วยประการฉนิห้ 5. ปัญจ ก, กะมาติกายาณวัตถุหมวดละห้าคือหนึ่งสัมมาสมาธิมีองค์ห้า สสัมมาสมาธิมีญานหญาณวัถุหมวดละหมีด้วยประการะชะนี้ 6. ฉากะมาติกาญาณวัตถุหมวดละหกคือ 1. ปัญญาในอภิญญาหกยาณวตถุหมวดละหมีด้วยประการะชะนี้ 7. ็สัตตกะมาติกาญาณวัตถุหมวดละเจ็ดคือ 1. ญาณวัตถุเจ็ดสิบเ ยานวัตถุหมวดละเจมีด้วยประการฉานี 8. อดอธกะมาติกายาณวัถุหมวดละ8ดคือ 1. ปัญญาในมรสีผลสียาณวัตถุหมวดละ8มีด้วยประการฉนี 9. นวกะมาติกายาณวตถุหมวดละเก้าคือ 1. ปัญญาในอนุปปภะวิหารสมาบัติเก้ายานวัถุหมวดละเกมีด้วยประการฉนี ทัศ ก, กะมาติ ก, กาญาณวัตถุหมดละศิษคือพระตถาคตทรงประกอบด้วยองกำลังเหล่าใดจึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบรนเลอาาศีหนาฏในบริษัทประกาศพรมาจักรกำลังเหล่านี้ชื่อว่ากำลังศิษของพระตถาคตกำลังศิษเป็นฉไนกำลังศิษเพอหนึ่งพระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบธรรมที่เป็นฐานะโดยความเป็นฐานะ และธรรมที่ไม่เป็นฐานะโดยความไม่เป็นฐานะตามความเป็นจริงแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบธรรมที่เป็นฐานะโดยความเป็นฐานะและธรรมที่ไม่เป็นฐานะโดยความไม่เป็นฐานะตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอษษันประเสริฐบรรลยศรีหานาถในบริษัทรประกาศพรมาจักสอง พระตถาคตทรงทราบวิบากของกรรมสมาทานที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันตามความเป็นจริงโดยฐานะโดยเหตุแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบวิบากของกรรมสมาทานที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันตามความเป็นจริงโดยฐานะโ ด, านะโดยเหตุนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบรรลยีหนาถในบริษัทประกาศพรหมจัก สพระตถาคตทรงทราบทางไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบทางไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกําลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิ ญ, ญาณฐานะอันประเสริฐบรรลัยสีหนาถในบริษัทประกาศพรหมจักสี่พระตถาคตทรงทราบโลกที่เป็นอเนกกระทาตและนานาธาตุตามความเป็นจริง แม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบโลกที่เป็นอเนกธาตุและนานาธ า, า, าต์ตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกําลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบรนลยศีหนาฏในบริษัทประกาศพรมจักห้าพระตถาคตทรงทราบความที่สัตว์ทั้งหลายมีอธิยาศัยต่างๆกันตามความเป็นจริงแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธิยาศัยต่างๆกันตามความเป็นจริง นี้ก็เป็นกำลังของพระธถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบรรเลงศรีอำนาจในบริษัทประกาศพรมจักหกพระธถาคตทรงทราบความแก่กลา้าและไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์และบุคคลเห ล, ล, ล, ล, ล่า อ, าอื่นตามความเป็นจริงแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบความแก่กล้าและไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์และบุคคลเหล่าอื่นตามความเป็นจริง นี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสรศิฐบรรลือสีหานาในบริษัทประกาศพรมจักเจ็พระตถาคตทรสงทราบความเศร้าหมองความผ่องแผ้วความออกจากฌานวิโมกข์สมาธิสมาบัติและการออกจากฌานเป็นต้นตามความเป็นจริงแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบความเศร้าหมองความผ่องแผ้วความออกจากฌานวิโมกข์สมาธิสมาบัติ และการออกจากชาญเป็นต้นตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของพระธถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบรรเลอศีหานาฏในบริษัทประกาศพรหมจักร 8. พระธถาคตทรงทราบการระลึกชาติในหนหลังได้ตามความเป็นจริงแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบการระลึกชาติในหนหลังได้ตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของพระธราคต ซึงพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประ เ, ศรศเสหหะริฐบรรเลงศีนานาในบริษัทประกาศโภมจักร๙พระตถาคตทรงทราบความจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริงแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบความจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกําลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประ เ, ศรศเสะริฐบรรเลงศีนานาในบริษัท ประกาศพรหมจักสิทธพระตถาคตทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริงแม้ข้อที่พระองค์ทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริงเนื้อก็เป็นกําลังของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบรรเลงศีรษะในบริษัทประกาศพรหมจักกาลังเหล่านี้ชื่อว่ากําลังสิบของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงประกอบด้วยกําลังเหล่านี้แล้ว จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐบันเลอสีหนา ن ในบริษัทประกาศพรมจักยาณนวัตุหมวดละสิบมีด้วยประการัชนีมาติ ก, กาจบ